ค้นเหตุปัจจัยให้พบด้วยปัญญาไม่หมูหาที่ซัดทอดข้อที่สองสมุทยัยคือเห็นเหตุแห่งทุกหรือสาเหตุของปัญหาเข้ามาตอนนี้เพราะเป็นเรื่องที่ถึงลําดับคือเมื่อต้องการดับทุกก็ต้องกําจัดสาเหตุของมันเมื่อกำหนดหรือจับได้แล้วว่า ทุกหรือปัญหาของตนคืออะไรเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ถึงเวลาที่จะสืบสาวหาสาเหตุต่อไปเพื่อจะได้ทำกิจแห่งปหาณนะคือละหรือกำจัดมันเสียอย่างไรก็ตามแม้เมื่อคนหาสาเหตุคนก็มักเลี่ยงหนีความจริงชอบมองออกไปข้างนอกหรือมองให้ไกลตัวจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน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 ถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะการรมที่ทำไว้ปางก่อนไม่ว่าจะพบทุกเจอสุขอะไรก็ยกให้เป็นเรื่องกรรมเก่า 2. องิอสวนิรมิตตวาทะลัทธิพระเป็นเจ้าถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงที่ประสบในบัดนี้เป็นเพราะการบันดาลของเทพผู้เป็นใหญ่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 ว่ารอให้ถึงคราวก็จะเป็นไปเองอีสุลเยเรมิตวาทาเรียก อ, อีกอย่างว่าอีสุลกระนวาทะหรืออิสระนิ ม, มานวาทาหรืออิสระกุติวาทาในเรื่องนี้โดยเฉพาะปุเพกะตะวาทะหรือปุเพกะตะวาธพึงระวัง ย่าจากหลักธรรมของพุทธศาสนาให้ดีขอย้ําว่าเรื่องนี้น่าศึกษามากดูเหมือนชาวพุทธจานวนมากจะพยายามหลบเลี่ยงไม่ยอมมองดูหลักพุทธศาสนาข้อนี้การที่ท่านย้ําไว้ในคัมภีร์ตั้งหลายแห่งน่าจะเป็นข้อสําคัญซึ่งหากศึกษากันให้ดีอาจช่วยให้ความประจางเกี่ยวกับหลักกรรมในพุทธศาสนาได้อีกมากไม่น่าจะมัวเลี่ยงหลบกันไปมา ในคำพีสมโมหาวิโนทนีระบุว่าวาทะที่หนึ่งคือปุเพกตะวาทะเป็นลทัทธินิครลที่สองคืออีโซญิรมิตตวาทะเป็นลทัทธิพรามที่สาคืออเหตุกะวาทะเป็นลทัทธิอาชีวะกะอันหนึ่งในขุตกะนิกายชาตะกะจัดอุเฉทวาทะ เข่าชุดมิจฉาวาทะเหล่านี้รวมเป็นสี่วาทะทางธรรมะปฏิเสธลทัทธิเหล่านี้เพราะขัดต่อกฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่ให้มองหาสาเหตุของทุก์ตามกฎธรรมดาที่ว่านั้นโดยมองเหตุปัจจัยเริ่มที่ตัวคนและในตนเองได้แก่กรรมคือการกระทำการพูดการคิดที่ดีหรือชั่ว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 ปฏิบัติตนสแสดงออกสัมพันธ์และกระทำต่อชีวิตและโลกยังไม่ถูกต้องอย่างไม่เป็นไปด้วยความรู้ตามเป็นจริงแต่เป็นไปด้วยความยินดียินร้ายชอบชังเป็นต้นตลอดจนกิเลสปกป้องตัวตนทั้งหลายเช่นความกลัวความถือตั ว, ต ว, ตวความริษยาความหวาดระแวงและอื่นๆที่สืบเนื่องมาจากตัณหานั่นแหละคือที่มาแห่งปัญหาความทุกข์ของมนุษย์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 ได้แก่ปรารถนาภาวะเมะลายสิ้นสูญอย่างหนึ่งและลึกลงไปให้ชัดกว่านั้นก็ดูที่กระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทก็จะเห็นตั้งแต่อวิชชาซึ่งเป็นมูลของตัณหาว่าเป็นที่ไหลเนื่องมาแห่งปัญหาประดาทุกขนั้นเมื่อใดกำจัดอวิชชาตัณหาที่เป็นต้นต่อของปัญหาและซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ได้แล้ว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 ลรจัดการด้วยปัญญานั้นให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแต่ตราบใดกิเลสที่บิดเบือนครอบงำและที่ทาให้เอ็นยิงทั้งหลายยังบีบคั้นบังคับมนุษย์ให้เป็นทาสของมันได้ตราบนั้นมนุษย์จะไม่สามารถแก้ปัญหาขจัดทุกข์ได้จริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกหรือทุกข์ภายในแต่ตรงข้าม